บทที่ 6. บ้านแสนสุขมื้อเย็นผ่านไปด้วยความอิ่มอร่อยเมื่อมาวันทาจ่ายค่าอาหารเสร็จก็เดินนำลานดาวออกมาด้านหน้าซึ่งเป็นที่จอดรถแพ้สาวหันบอกคนเดินตามเมื่อถึงรถตนขับตามพี่มาแล้วกันนะค่ะลานดาวเหลือบมองยานยนต์แดนซมูไรของอีกฝ่ายเพียงแวบเดียวเพื่อหมายตาแล้วเดินแยกไปทางที่จอดของตนมาวันทาเข้ารถสตาร์ทเครื่องถอยออกมารอพอเห็นรถยุโรปคันหนึ่งเคลื่อนเอื่อยมาต่อท้ายและกระพริบไฟก็เริ่มออกนํา มองผ่านกระจกหลังเห็นกระจังหน้ารถของลานดาวแหลวยิ้มเงียบรุ่นนั้นเพียงคันเดียวถอยรถหลอนได้สามคันทีเดียวพาหนะคู่กายสาวสวยเป็นอะไรหลายอย่างเช่นเป็นเครื่องประดับที่ช่วยเสริมความงามให้อลังการยิ่งขึ้นเป็นเครื่องเสริมนิสัยให้ชมชอบความปราดเปรียวร้อนแรงมากขึ้นรวมทั้งเป็นเครื่องช่วยยกระดับความยากในการเข้าถึงตัวให้หนักขึ้นไปอีกนึกถึงดวงหน้าลานดาวขณะปลายตามองน้ำพุและรำพึงแผ่ให้หลอนร่วมรับรู้ว่าจนป่านนี้ยังไม่เจอคนถูกใจสักที แม้มีตัวเลือกมากมายก็ไร้ความหมายมาวันทาคิดอยู่ในใจว่าจะไปเจอง่ายๆได้อย่างไรในเมื่อคุณเธอเลอเลิอดไรทิติถึงปานนี้ฐานะดอกฟ้ารอบรรดาชายมากหน้ามายื้อแย่งชิงดีนั้นมาวันทาพอเข้าใจอยู่ว่ารัคนกันทั้งสุขและทุกข์ประมาณใดแต่เราดอกฟ้าก็ยังมีระดับชั้นแบ่งซอยสูงต่ำซ้อนกันยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหล่อนยอมรับโดยดีด้วยมาตรวัดทางความรู้สึกว่าล้านดาวอยู่ในชั้นที่สูงกว่าสัมผัสเพียงครู่ก็รู้ได้ ช, ชีวิตสาวของมาวันทาไม่เคยต้องริษยาหญิงใดด้วยเหตุที่ถูกปลูกฝังให้มีนิสัยสงบเสงี่ยมไม่แข่งดีบีทาใครหนึ่งกับเพราะคุณสมบัติของตนยากจะเป็นรองใครในทุกด้านอยู่แล้วอีกหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานับว่าหล่อนมีความสุขพอดีพอดีมีคนถูกอัธยาศัยมากขณะที่มีคนหมั่นไส้ความเป็นตัวหล่อนน้อยวันนี้หล่อนพบผู้หญิงที่น่าอิจฉาทั้งสาวกว่าทั้งสวยกว่าแถมยังรวยกว่ามาแต่เกิดเสียด้วย แว่านอกจากจะไม่อิจฉาแล้วหล่อนยังปราบปลื้มสุขสมชื่นชมแทนในความครั่งพร้อมดุจเสกเอาตามอเาเภอใจเช่นนี้แบบเดียวกับพี่สาวที่มีมุทิตาจิตอย่างแท้จริงต่อน้องสาวคลานตามกันมาสมัครสมาน ร, รักใคร่กลมเกลียวกันจนเหมือนใครได้อะไรอีกฝ่ายก็พลอยได้ไปด้วยอิ่มเอมเท่าเทียมกันความแตกต่างอย่างโอราริกระหว่างมนุษย์ทําให้มาวันทากระเดียดจะเชื่อเรื่องบุญธรรกรรมแต่งที่เชื่อนั้นหาใช่เพราะเป็นคนไทยซึ่งถูกปลูกฝังให้เชื่อตามกัน แต่เชื่อเพราะถูกวิทยาศาสตร์สอนว่าผลย่อมไหลามาแต่เหตุทั้งจั ก, กรวาลเต็มไปด้วยเหตุและผลเมื่อมีต้นย่อมมีปลายก่อนถึงท้ายย่อมมีตอนหน้าแม้หล่อนเห็นความแตกต่างระหว่างสรรพสิ่งด้วยความไม่รู้ก็ไม่อยากยอมรับเลยว่าเบื้องหลังความแตกต่างทั้งหลายคือความบังเอิญหรือด้วยความมีอคติของผู้สร้างจั ก, กรวาลใดๆและหากลานดาวเป็นอย่างที่เป็นเพราะบุญทํากรรมแต่งก็เท่ากับหล่อนกาลังเสวยผลของตนเองแล้ว ยุติธรรมตามกฎแห่งกรรมดีแล้วควรหรือที่ใครจะมองด้วยอารมณ์ริษยาขับตามกันกระทั่งมาถึงบ้านสองชั้นในเนื้อที่100ตารางวาหลังหนึ่งมาวันทาเปิดไฟเลี้ยวเป็นสัญญาณให้อีกฝ่ายชิดขวาตามที่นั่นคือรังรักของหล่อนกับลัตทีเข้าบ้านเจ้าของนิวาสถานเปิดไฟสว่างกดสวิตช์เครื่องปรับอากาศต้อนรับอาคารตุ ก, กะคนสวยลานดาวมองไปรอบๆแล้วชมแต่งบ้านน่ารักจังค่ะพี่เอิญช่วงนี้รกหน่อยแหละลูกจ้างเพิ่งลาออก ลานดาวหันควับไปสวมก่อนและหอมแก้มมาวันทาดือ้อให้จ้าเป็นน้องสาวพี่นะคนถูกนับเป็นพี่หัวเราะแล้วยกแขนวาดโอบหลายคนขอเป็นน้องคิดอยู่เหมือนกันพูดจบก็จุ้งพิศรีรษะลานดาวด้วยสัมผัสอันเปี่ยมเมตตาแล้วจ้าจะมาช่วยถูบ้านให้โธอย่าเลยค่ะน้องขาเดี๋ยวดูลายมือแล้วจะเห็นเส้นคุณหนูเลือนลงให้มันเลือนไปเถอะจะใช้ให้เก็บขี้หมาก็ยอมนะคะมาวันทาหัวเราะเอ็นดูเอาเข้าไป กอดที่เอิญแล้วเย็นดีจังค่ะคนใจดีเท่านั้นถึงเหนือเย็นได้อย่างนี้ลานดาวกล่าวด้วยสัมผัสลึกซึ้งอย่างประหลาดจู่ๆก็ตื้นตันในอกเหมือนอยากร้องไห้ขึ้นมาเฉยๆมาวันทายืนนิ่งให้กอดเกิดความสุขเอิบทนแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้เช่นกันคลายพบญาติแสนรักที่จากพรากกันช้านานบัดนี้ถึงเวลาโคจรมาพบอีกครั้งเป็นใจตรงกันที่สื่อผ่านภาษาและเมียละไมทางกายนั่นเองเนิ่นานานกระทั่งมาวันทานึกอะไรได้ก็ดึงตัวออกโดยละม่อม เมื่อกี้ยังไม่ทานของหวานกันเอาไอติมหรือเ ค, ค้กไหมลานดาวสันหน้าไม่ค่ะอยากฟังพี่เอิญเล่นฟลุตมากกว่าก็ได้งั้นไปกันมาวันทาจุงมือน้องสาวมาที่ห้องหนึ่งซึ่งตกแต่งไว้เล่นดนตรีและฟังเครื่องเสียงโดยเฉพาะแต่วัตถุที่เตะตาลานดาวก่อนเพื่อนได้แก่รูปในกรอบขนาดใหญ่บนผนังเหนืออัปไรเปียโนว้าวเจ้าชายเจ้าหญิงในวันวิวา หญิงสาวตะโกนดังๆ ด, ด้วยพลังเสียงคมใสหนักแน่นมาวันทาสะดุ้งเล็กน้อยเพราะอยู่ห่างจากอีกฝ่ายแค่สามคืบจึงเหมือนมีหอกแหลมพุ่งปริ้นจากเบื้องหลังเข้าบาดแก้วหูชิวนิดนิดจนต้องเอี้ยวตัวมาผลักหน้าคนวกเวกเบาๆพลางกระซิบดุตะโกนเข้าไปพี่อ๋องก็หลอดีนี่คะยังกับริชาร์จเกียร์ไงพี่เอินว่าธรรมดาแล้วไหนว่าลงพุงบอกแล้วแค่ลงพุงตอนเจอกันแรกๆไงที่เห็นหล่ออย่างในรูปก็ฝีมือช่างกล้องราคาแพงนั่นแหละ สมัยนี้ต่อให้ตัวจริงหน้าเหมือนนกแขกเตา้าก็บิดเบือนจนดูลำไม้พยาหงได้ลานดาวหัวเราะร่วนสองมือเกาะไหลามาวันทากงคอพินิดเขาหน้าชายผู้โชคดีคนเดียวในโลกที่มีวาสนาได้ตระกองกอดมาวันทาในชุดเจ้าสาวเครื่องหน้าเจ้าบ่าวราบเรียบแบบลูกจีนทว่าความสะดุดตาอยู่ที่มาดเท่ของชายเก่งมากกว่าอย่างอื่นบุคลิกของเขามองปราดเดียวทราบได้ทันทีว่ามีดีตรงสมองรูปนี้พี่เอิญดูเหมือนนกน้อยในมือเจ้าของเลยละ่ะ ขออนุญาตเรียนแบบพี่อ๋องว่าแล้วก็เอาคางวางเกยไหลขวาตะกองกอดพี่สาวเต็มอ้อมจากเบื้องหลังตื่นมาพี่อ๋องคงบอกรักพี่เอินทุกเช้าเปล่าเลยหลังๆนี้นานครั้งหรอกเขาถึงจะพูดให้ได้ยินอา้าวอย่างนี้ถือว่าบกพร่องในหน้าที่คงว่าไม่ได้หรอกเพราะพี่ยิ่งน้อยกว่าเขามากบางทีรู้สึกผิดเหมือนกันที่เขาต้องอดแทบตายกว่าดอกพิกุลจะร่วงทำไมล่ะคะถ้าจะรักใครจะจะบอกเขาบ่อยๆแล้วก็เป็นฝ่ายฟังได้บ่อยโดยไม่เบื่อด้วย พี่เป็นคนขี้อายในเรื่องพันนี้มัง้งอยากแสดงความรักผ่านความอาทรที่สะท้อนความจริงใจชัดกว่าคำพูดแต่คำพูดก็สำคัญนะคะถ้าเรากล้าพูดตรงกับความรู้สึกชนิดชัดถ้อยชัดคำวันหนึ่งเขาจะเห็นความรักของเราตรงไปตรงมามีพลังมีความน่าเชื่อถือไหนว่าไม่เคยเจอคนถูกใจทำไมรู้ดีนักบอกรักใครมากี่ครั้งอีอีเป็นฝ่ายฟังนะคะไม่ใช่ฝ่ายบอก จะฟังผู้ชายบอกรักมาจนแยกออกตั้งแต่อ้าปากเห็นลิ้นไก่ว่าใจคิดอัปมงคลแค่อยากเจี๊ยเราหรือตั้งความปรารถนาภาวิวาสวามีพักยังไงความแรงและน้ำหนักพลังที่ทุ่มออกมาจากหัวใจทั้งหมดของใครบางคนฟังดูมีค่าจนจ้าเสียดายที่เขายังไม่ใช่คนถูกใจจะรอให้ใช้ไปถึงไหนล่ะ การโดนบอกรักบ่อยๆอาจสร้างความชินชาและแยกยากว่าตกลงเรายินดีกับใครหรือยังเขาอาจผ่านมาแล้วก็ได้แต่เรามองไม่เห็นเพราะม่านความชินชาบดบังอยู่จะเป็นคนช่างฝันชอบสแสวงหาแล้วก็รู้ใจตัวเองดีค่ะพี่เอิญสิ่งที่จ้ารอคอยคือความรักหวานซึ้งในตัวเองแบบเดียวกับที่ดูเทพนิยายแล้วรู้สึกถึงประกายกลุง้งกลิง้งอย่างเห็นในรูประหว่างพี่เอิญกับพี่อ๋องน่าอิจฉาที่พี่เอิญมีใครคนหนึ่งให้พูดออกมาจากใจจริงทั้งดวงว่ารัก ชนิดที่แม่กำลังพูดอยู่หน้ากระจกเงาก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ฝืนหลอกตัวเองทีแรกลานดาวพูดจ่อยๆดีแต่นานไปชักแผวมาวันทาได้ยินหางเสียงอ้อยส้อยสุดท้ายนั้นแล้วอึง้งรางวัลของความเป็นคนเลอเลิศคือการหาคู่ยากเช่นนี้เองแต่แทนการปลอบมาวันทาเลือกสะพยายกติดตลกเสียคนเราหาเรื่องส่งสารตัวเองได้เรื่อยนะถึงแม้จะมีชีวิตเหมือนเพิ่งรับพรเกินสามประการจากยักษ์ในตะเกียงวิเศษมาหมาดๆลานดาวยิ้ม เลิกใช้สำเนียงเศร้าเปลี่ยนเป็นสำเนียงสดใสพี่เอิญโชคดีกว่าจ้าจริงๆนะที่เจอตัวจริงตั้งแต่เรียนปีหนึ่งจ้า ก, กำลังจะถูกปลดระวางจากความเป็นสาววัยเรียนอยู่รอมารอแล้วยังไม่โปะเชสเสียทีวัยสาวผ่านหายไปเร็วเหมือนบ้างไฟพญานาคคิดไปคิดมาชักหนาวแฮะอีกสิบปีหน้าตาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ลิงเห็นยังอาดเมิน มาวันทาถอนใจสั้นก่อนแกะมือลานดาวหันหลังกลับมาสบตาตรงยกมือประคองดวงหน้า ง, งามสะอางและกล่าวประโลมขอพี่พูดเถอะชักห่วงว่าจ้าเจอผลข้างเคียงด้านลบของการดูหมอเข้าแล้วละ่ะถ้าทางจ้ามีความกระวนกวายเอ็งจริงๆนะปากบอกไม่เชื่อแต่ก็เก็บคำทำนายของเขามาเป็นอารมณ์ตลอดพูดไปพูดมาก็วนอยู่เรื่องเดิมนี่เองลานดาวเริ่มรู้สึกตัวเมื่อถูกสะกิดและนั่นก็ทำให้หงุดหงิดหมอดูอุปการะขึ้นมาอีกถึงขนาดกระทืบเท้าเบาๆ จากแคนชมัดเลยพี่เอินมาแช่งเราได้ทำหน้านิ้วคิวขโมดอย่างนี้ไม่ต้องรอสิบปีลิงที่ไหนเห็นก็เปิดหมดล้านดาวเผอหัวเราะค่อยคลายกิริยากระฟัดกระเฟียดมาวันทากระพิบตาคิดก่อนตัดสินใจให้สติผู้เป็นน้องคุณของการรู้อนาคตล่วงหน้าเมื่อถูกถ่ายว่าดีคือความหวังรอโทษของการรู้อนาคตล่วงหน้าเมื่อถูกถักว่าแย่คือความกัดกลุ้มคนเราเป็นกันอย่างนี้ อยากรู้ในสิ่งไม่ควรรู้และเมื่อรู้เพียงครึ่งๆกลางๆ ก, ก็ปักใจยินดีหรือว่าวุ่นลวงหน้าจะน่าจะลองย้อนกลับมาสํารวจปัจจุบันอย่างที่นักปราชว่าไว้เรามีหน้าที่ดูแลแค่วันนี้แล้วปล่อยให้พรุ่งนี้ดูแลตัวมันเองล้านดาวฟังพรางคิดตามถึงกับสว่างไปทั้งใจขอบคุณค่ะพี่เอิญจ๋านี่แย่จังขอฟังเสียงฟลุตจากพี่เอิญให้ใจสงบสงบดีกว่าเอาแบบพระอภัยมณีเลยนะแมนฟลุตเราเป่าไปให้ได้ยินก็สุดสิ้นโทโซที่กโกลธา พูดจบก็กวาดตาสํารวจไปทั่วห้องกระทั่งเห็นกล่องไม้เมเปิ้ลยาวขนาดฟุดครึ่งวางอยู่บนหลังเปียโ น, โนก็ทราบว่านั่นคือกล่องเครื่องดนตรีคู่ใจของมาวันทาจึงเดินไปหยิบกลับมายื่นให้ด้วยใบหน้าเปลื้อนยิ้มแทนการขยันขยอขอฟังมาวันทาไม่เล่นตัวอิดเอื้อนเปิดฝากล่องในมือลานดาวหยิบชิ้นส่วนขึ้นมาสวมประกอบต่อกันครบสามปล้องจนได้ฟุดเงินเหล่าหนึ่งที่ขึ้นเงาสง่างามตลอดทั่วทั้งลําและกระเดื่องกด สมค่าความเป็นอุปกรณ์เนรมิสเสียงประจําตัวคนรักดนตรีเครื่องลมเป็นชีวิตจิตใจศิลปินโฉมสครานใช้2มือยกฟลุตเลายาวขึ้นเกือบขนานกับพื้นยืนเด่นศีรษะตั้งนิ่งจรดริมฝีปากจอปากเป่าที่หัวฟลุตในตาเล็งเบื้องหน้าด้วยสมาธิอันแหลมคมในการกําหนดใจส่งลมผ่านรูปริมฝีปากซึ่งทํามุมเหมาะลงไปในเลาฟลุตนิ้วมือกดกระเดื่องเพื่อบังคับลมให้ก่อเสียงจีเบาๆลากยาวเนิ่นนานเป็นการอุ่นเครื่อง แสดงทักษะความสามารถในการส่งลมต่อเนื่องไม่ขาดสายด้วยการสลับแรงดันระหว่างกระบังลมกับกระพุ้งแก้มคือใช้กระบังลมขณะรีดลมหายใจออกและใช้ลมจากกระพุ้งแก้มขณะต้องหายใจเข้าเมื่อลมหายใจเข้าที่มาวันทาก็ปิดเปลือกตาลงเริ่มวาดรวดลายลีลาอื่นนับแต่ไล่เสียงจากต่ำไปหาสูงเร็วรี่เก็บทุกเม็ดเสียงชัดด้วยกลุ่มโน้ตที่ก่อความรู้สึกเหมือนการมาของแสงอรุณรุ่งบรรเจิดจ้าคางนิ่งอยู่ที่โน้ตสีสูงอันคมชัด ส่งพลังแบบเดียวกับอาทิตย์เต็มดวงกลางฟ้าพาคนฟังเบิกตาตื่นเพลิดตามแล้วพลิ้วเปลี่ยนเป็นเสียงไหลลงต่ําเลียนแตรรถวิ่งสวนตบท้ายด้วยการรัวลิ้นเร็วสร้างสเก็ตเสียงทียิบติดกันเป็นพืชเหมือนปืนกลที่ส่งกระสุนออกรวดเดียวหมดแม็กจบจากการโหมโรงชุดเล็กแล้วมาวันทาก็เปี่ยนกายเล็กน้อยเหมือนแปลงบทจากพนักงานเปิดฉากมาเป็นนักแสดงตัวจริงโดยเลือกพรีหลูดอันเป็นงานหมายเลข1 0ึ่ ของคีตากวีเยอรมันนามโยฮันซีบาสเตียนบารกที่ฟังคล้ายการพรรณนาความเปล่าเปลี่ยววงเวงของป่าแห่งความฝันอันรกชัดด้วยภาพมายามะลังมเลืองหรือคล้ายสะกดให้เคลิมไปว่ากำลังเดินเอื่อยไล่เงามัวมนที่ไม่เคยมีอยู่จริงในสถานที่ที่แปลกแยกเป็นคนลมิติกับโลกความจริงลำเสียงกลมยาวที่ส่งจากฟรุดของมาวันทามีกังวลแตกต่างจากเสียงฟรุดธรรมดาทั่วไปทําความตื่นใจแก่ลานดาวยิ่งคือนอกจากอิ่มพลังนุ่มแน่นเหมือนเอาก ร, รมีหยีมาไล่หูแล้ว ยังไหลเรื่นสละสลวยด้วยการป้อนกําลังอัดหนักเบาเยี่ยงผู้เข้าถึงศิลปะเครื่องลมทองแท้เมื่อผนวกกับโลหะผสมชั้นดีของตัวฟลุตเองรวมกันจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีของมาวันทาที่โดดชัดออกมาจากบรรดานักฟลุตอื่นฟลุตเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงมากคุณภาพลมหายใจของแต่ละคนผิดแผกแตกต่างกันความมีกระแสจิต ภาษาสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวเข้ากับฟลุตก็ใช้จะหาได้ง่ายๆผู้เข้าถึงวิญญาณแห่งฟลุตอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นอาจเนรมิตเสียงด้วยอำนาจนึกที่เกินธรรมดาคือถ้าพอใจก็อาจสร้างขายคลื่นความแจ่มชัดปลุกให้คนฟังมีจิตตื่นขึ้นรับรู้โลกกระจังแจ้งตามตนหรือสามารถสร้างวังวนฝันรันทดบีบคั้นผู้สดับให้อยากหลั่งน้ำตาโดยไรต้นสายปลายเหตุในความเป็นจริงประกอบลานดาวกระพริบตาทีหนึ่งความงามละมุนของเสียงในอากาศ ความออนแอ้นอรชรนแห่งเรือนกายมาวันทาที่พลิ้วไหวดุจคนนกตามจังหวะจากคนอันเหมาะสมของเพลงกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวจนทำให้ลานดาวรู้สึกเสมือนเสียงเพลงถูกขับออกมาจากวิญญาณอันโดดเดี่ยวเป็นเอกมติของฟลุตเองหาได้มีบุคคลผู้หนึ่งผู้ใ ด, วดบวชเบลงขึ้นด้วยความเข้าไม่ถึงจบเพลงของจอมคีตะ ก, กวียุคบาร็อเป็นครูลานดาวจึงถอนจากอาการจ้องทางแปรเป็นยิ้มหวาน และใช้คมรังสีตาอันเกิดจากความเลื่อมใสรุนแรงแทนเสียงตบมือและคำชมนักฟลุตสาวสบสารตอบเกิดกระแสะเชื่อมโยงต่อตรงจากใจถึงใจสื่อความยินดีในการและกันเปี่ยมล้นคราวนี้ถึงตาจาเล่นให้พี่ฟังลานดาวเลิกคิวสูงเล่นอะไรคะนักเรียนดูรยางคศิลป์ต้องเล่นอะไรเป็นมั่งแหละห้องนี้มีให้เลือกเยอะถึงตาพี่นั่งฟังแล้วพูดจบก็ก้าวมาลงนั่งโซฟาไขายห้างวางฟลุตลงข้างกายลานดาวยิ้มเบะหน่อยหนึ่ง ก่อนทันสํารวจรอบที่มาวันทาบอกว่ามีเครื่องดนตรีให้เลือกเยอะนั้นได้แก่เปียโ น, โนกีตาร์คลาสสิกกับฟลูตทีท่วางสงบอยู่ข้างกายมาวันทาเองเล่นด้วยกันได้ไหมขอจะเล่นเปีย โ, โนคลอให้พี่เอินเป็นนางเอกชายเดี่ยวก่อนซีอยากเล่นกับพี่เอิญ น, นี่คะมาวันทาลุกขึ้นก้ามายืนข้างเปียโนเอาก็เอาเพลงอะไรดีละ่ะลานดาวมาเปิดฝาครอบและนั่งลงประจำที่กระทําจิตเสมอกับบรรยากาศขณะนั้นแล้วใช้หัวใจสรรเลือกเพลงเหมาะ นิ้วก้อยมือซ้ายแตะเสียงเบสจีแล้วกระโดดเนิบมาลงคอร์ดเมเจอร์เซเวซึ่งนักดนตรีคลาสสิกจำนวนหนึ่งฟังแล้วรู้ทันทีว่านั่นคือห้องแรกของจิมโนพิดาย G Y M N O P E D I E หมายเลขหนึ่งอันโด่งดังเพราะถูกเล่นซ้ำไปซ้ำมาในละครและภาพยนตร์นับไม่ถ้วนหล่อนเลือกมาเล่นอีกครั้งณมุมนี้ของโลกเพื่อให้เข้ากับสานติและความผาสุกอันครองทั่วอาณาจักรบริเวณอยู่ เรากับอิริกแสตี้ประพันธ์เพลงนี้ให้ง่ายแม้มือหัดใหม่ก็เล่นได้และเมื่อเล่นแล้วก็จะพบกับความสงบล้ำลึกมัง่งคั้งด้วยอารมณ์สุนทรคล้ายดำดิ่งลงสู่ใต้ท้องสมุดอันเงียบนิ่งตรการตามาวันทายิ้มน้อยน้อยยกล่าฟลุตขึ้นจรดปากส่งลมแรกเมื่อลานดาวบรรเลงทํานองพื้นหลังมาถึงห้องที่ห้าอันเป็นจังหวะเริ่มต้นลำนําหลักของเพลงแรงลมจากรวงอกมาวันทาที่ผ่านเข้าลำโลหะเงินก่อเสียงหวานซึ้งเหมือนการเปิดฉากแสงทองที่สาดยิ้มไปทางฟ้า ดุดเจตนากล่อมโลกให้สงบสยบความวุ่นวายนานาประการภายนอกให้ชะลอลงสู่ความยุติสองสาวประสานดนตรีได้กลมกลืนดุดได้รำในจังหวะวอชไปด้วยกันรวมระบายจินตนาการแห่งเพลงอย่างเข้าใจคือปล่อยให้สำเนียงต่างๆย่างกลายปรากฏออกมาจากม่านหมอกแห่งอารมณ์เงียบสร้างสั่มเสียงกระทบหูเพื่อให้เกิดความเงียบเชียบภายในจิตใจหางเสียงลากยาวอ้อยอิงแต่ละครั้งของฟลุตผิวไหว เป็นลอนคลื่นเสนอโสดเสียจนฟังแล้วนึกถึงนางนวนกลกระพือปีกเหนือแผ่นน้ําเรียบดุจกระจกล้ำนําทํานองอันก่อความทวินถึงดุษสนีภาพได้คลี่คลายตามลําดับมากระทั่งห้องสุดท้ายด้วยความเอ็มอิ่มของสองนักดนตรีลานดาวหันมาแยมยิ้มเยือกเย็นกับมาวันทาปกติเล่นเพลงกับพี่อ่องแนวไหนคะนาทีนั้นมาวันทารู้สึกเหมือนได้ตัวแทนลัทธีแล้วไม่ต้องเหงาอีกต่อไปแล้วส่วนใหญ่ก็เล่นเรื่อยเปื่อยนะ บางทีไปดูหนังเรื่องไหนเห็นเพราะดีก็เอามาเล่นกระท่อนกระแท่นบางทีดาวน์โหลดกอเพลงแต่งใหม่อย่างแนวพวกเซลติกจากอินเทอร์เน็ตมาลองก็ได้บรรยากาศไม่ซ้ำแบบดีหรือบางทีวันไหนนึกสนุกก็ฝึกแจ๊สบ้างไปทางไทยเดิมบ้างสเปซสปะตามอารมณ์เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ตามใจกันคือใครอยากเล่นอะไรก่อนอีกคนก็ยอมช่วยเล่นโดยไม่เกี่ยงเงนินเหมือนอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวตามอาเภอใจแต่เป็นคนเดียวที่เล่นฟลูดกับเปีย โ, โนได้2ชิ้นพร้อมกัน คล้ายกับที่เธอเล่นแล้วให้พี่ตามอย่างนี้แหละตอบจบมาวันทาก็เดินไปหยิบสมุดโน้ต ด, ดนตรีสี่ห้าเล่มจากชั้นวางใกล้ๆกลับมายืนให้ลานดาวดูพี่อ่องบินไปไหนก็มักซื้อสกอร์ดูเอทของฟลุตกับเปียโ น, โนมาอยู่เรื่อยจะน่าจะลองเอากลับไปฝึกแล้วมาเล่นกันลานดาวรับมาดูทุกปกก่อนลุกเก้าไปเยี่ยมชมโน้ตบนชั้นวางด้วยตนเองถ้าทางพี่เอิญชอบบากนะคะ ที่เหมือนหลายคนที่เข้าใจดนตรีก็ด้วยงานของบาร์กแล้วก็อินกับโลกที่สวยงามสไตล์เขาอีกอย่างถ้าพูดถึงคลาสสิกฟลุตพี่ว่าก็มีบาร์กกับเทเลมานนี่แหละที่น่าเอามาเล่นกว่าเพื่อนลานดาวเลือกงานของบาร์กออกมาเล่มหนึ่งเป็นเล่มที่สังเกตว่ามีร่องรอยถูกเปิดใช้มากครั้งแสดงให้เห็นว่าสองสามีภรรยาน่าจะนํามาเล่นร่วมกันบ่อยสุดพริกดูหน้าสารบัญเลือกโซนาตาอันเป็นชิ้นงานหมายเลข1031ที่หล่อนพอคุ้นหูอยู่บ้างแล้วชวนว่าเล่นเพลงนี้ไหมคะ เคยเล่นหรอล้านดาวสายหน้าเล็กน้อยขออนุญาตมั่วๆไปแล้วกันค่ะถือว่าทําหน้าที่เป็นตัวแทนพี่อ่องพลา ง, ลางมาวันทากระพริบตาทีหนึ่งใช่ว่าหล่อนหัวสูงขนาดจะยอมเล่นก็ต่อเมื่อคู่ดนตรีพลักพร้อมหรือซ้อมมาบ้างแต่สําหรับเพลงที่หล่อนเล่นได้ดีแล้วก็ไม่อยากรอคู่เล่นที่มั ง, งุมมงงาหารางเงอะ ง, งะหรือเล่นอยู่เพลินๆแล้วต้องสะดุดชะงักบ่อยชวนให้เสียอารมณ์เปล่า ทว่ามาวันทาก็ไม่อยากขัดคู่ซ้อมหน้าใหม่พยักเพย์เดอรตอบตกลงแบบกัดฟันหน่อยๆลานดาวนำสมุดโน้ตมาวางบนไม้คั่นลงนั่งจดจ้องกลุ่มโน้ตหน้าแรกอึดใจเดียวก็เริ่มพลมนิ้วลงบนคีย์ขาวดำวาดลีลาราเริงตามบทบาทแนวเปียโนในเพลงการประสานระหว่างสองมือไหลเรื่ืืนในอัตราเร็วปกติหาใช่ผ่อนจังหวะลงช้าดังที่ควรเกิดขึ้นในการเล่นครั้งแรกซึ่งหมายความว่านิ้วกับสมองและสองตาต้องประสานงานอย่างคล่องแคล่วว่องไวเอาเรื่อง จึงสามารถเล่นเพลงที่โนต้ตมือขวาส่วนใหญ่เป็นคาเบสส2ชั้นในอัตราจังหวะคอประมาณกว่า80ครั้งต่อนอาทีได้อย่างถูกต้องเช่นนี้มาวันทาปลายตาชำเลืองสาวน้อยบนมานั่งเปียโนโ ด, ด้วยความตะลึงทึ่งยิ่งขึ้นทุกทีหากลานดาวไม่เคยเล่นเพลงนี้มาก่อนก็แปลว่ากำลังอ่านสดบเลงสดซึ่งจะทำได้ต้องทั้งมีทักษะสูงกับทั้งมีสายตาคมกลิบ หนวกกับอยากสมองมากกว่าคนธรรมดาหลอนพบมือเปีย โ, โนมาเยอะก็เพิ่งเจอสาวน้อยมหัศจรรย์รายแรกนี่เองที่เล่นสดได้ถูกต้องแม่นยำดุดซ้อมหลายรอบแม้โซนาต้าตรงหน้าจะถือว่ายากเพียงระดับปานกลางแต่ก็ไม่ใช่ของเคี้ยวง่ายสำหรับใครๆแน่นอนคีย์เปีย โ, โนขาวดำทั้ง88แท่งจะต้องปรากฏเป็นของเล็กในกำมือที่ไม่มีคีย์ใดหลุดไปไหนรอดขอเพียงใจสั่งเสียงก็ออกมาตามนั้น ทำนองเดียวกับนักพิมพ์ดีดสัมผัสที่ขยับนิ้วกดปุ่มบนคีย์บอร์ดได้ครอบคลุมทั่วถึงแบบไม่ต้องคิดเพียงรู้ว่าจะต้องเขียนข้อความอย่างไรมือก็ทำงานพรวดพรวดแทบแซงหน้าใจแล้วนักดนตรีคู่หูเพลิดเพลินกับการเล่นสดอย่างต่อเนื่องจบจากเพลงหนึ่งต่ออีกเพลงหนึ่งแล้วโดดไปอีกเพลงหนึ่งยิ่งตอกยาไม่เห็นทางทักษะความสามารถ และพรสวรรค์อันเป็นของจริงของลานดาวมากขึ้นเรื่อยๆการอ่านเพื่อเล่นสดยากตรงที่ต้องเก็บรายละเอียด2ชั้นภายในพริบตาเดียวคือกลุ่มโนตมือขวาหนึ่งและกลุ่มโนตมือซ้ายอีก1เมื่อสมองเก็บข้อมูลดนตรีได้ก็ต้องถ่ายทอดลงสูปรายนิ้วทั้ง10ให้ครบและขณะกำลังพรมนิ้วในห้องปัจจุบันนั่นเองสายตาก็ต้องย้ายไปเก็บข้อมูลของห้องถัดมาเพื่อให้เล่นต่อได้ทันท่วงทีเปรียบเทียบคร้าวคล้าคล้ายคนได้รับคำสั่งทีละชุด ให้วาดวงกลมด้วยมือขวาและวาดสามเหลี่ยมด้วยมือซ้ายขณะวาดก็ต้องฟังคำสั่งชุดต่อไปด้วยว่าจะให้มือขวาและซ้ายวาดรูปทรงใดอื่นอีกเก่งมาวันทาชมสั้นๆหลังจากช่วยกันบรรเลงงานของเทเลมานเพลง1จบลานดาวเล่นผิดน้อยมากและเมื่อพลาดตรงไหนก็แก้ขัดได้พลิ้วจนเกือบร้ายการสะดุดเพราะมีความแม่นยำในเรื่องบันไดเสียงการคุมนิ้วรวมทั้งการพลิกแพลงด้วยปฏิพานในจุดที่เหลือวิสัยจะฉายสดตามคำสั่งของสกอ พี่เอิญก็เก่งพูดเสร็จก็หัวเราะใสเล่นดนตรีจบแล้วเรามายอกันไปยอกันมาเพื่อความอิ่มเอ็มเปรมปรียิ่งยิ่งขึ้นกันเถิดมาวันทางหัวเราะตามลานดาวมีอารมณ์ขันแบบหนึ่งที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวอยู่ใกล้แล้วเหมือนอยากยิ้มอยากหัวเราะอยากละล่องไปในความหฤหันตลอดการถ้าจ้าเป็นดารานี่คงมีแฟนๆติดเกลียวกล่าวถ้าพี่เอินเป็นนางเอกละครหลังข่าวคงมีคิวยาวขอลายเซน็นแล้วสองสาวก็หัวเราะเอิบอาก มาวันทา น, นึกคลืมสนุกอยากหาลูกยอมาป้อต่อแต่แล้วก็นึกกระดากเพราะขัดกับนิสัยดั้งเดิมจึงเสดึงแขนลานดาวไปนั่งพักกันก่อนเถอะมานั่งจมลงในโซฟานุ่มด้วยอริยาบทผ่อนพักเหยียดแขนเหยียดขาตามสบายของคนสนิทสนมกันแรมปีลืมสิ้นว่าเพิ่งเจอหน้ากันได้วันเดียวเครื่องเป่านี้เป็นศัตรูกับจ๊ะมานานเพิ่งวันนี้แหละที่เกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนก็เรียนสิพี่เอิญสอนจ๊ะนะคะไว้เรามาเป่าฟลุตคู่กันได้ ลานดาวเอ็นสีซามาอิงไหลามาวันทาหน่อยๆพี่เอินเฮ้เราคงเคยเป็นพี่น้องกันมาจริงๆเนะอะคงงั้นมั้งถ้าพบชาติเป็นเรื่องจริงก็น่าแปลกธรรมชาติให้เรารู้จักตัวเองแค่ตัวตนเดียวแต่ก็อนุญาตให้จําใครบางคนได้รังๆเมื่อเจอกันเหมือนให้โอกาสจําตัวตนอีกแบบหนึ่งในวันวานอันนี้ไม่ได้พูดเพราะปลื้มชั่ววูบนะคะแต่จะรู้สึกเหมือนเคยรักเละเทร์ทูนพี่เอินมาก่อนมาวันทาทอดตาคิดตามแว่าครู่หนึ่งก็เอ่ยไปอีกทาง ไม่เคยเห็นใครเล่นไซริดิ้งดีเท่าจ่ะเลยทั้งแม่นทั้งใส่หนักเบาถูกตามคำสั่งขนาดนี้เล่นจนอยู่มือมาตั้งแต่ห้าขวบก็ธรรมดาค่ะเคยไปแข่งไซริดดิ้งบ่อยๆด้วยเลยต้องตั้งสมาธิฝึกมากหน่อยที่หนึ่งประจำเลยสิถ้าในไทยก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าทางโรงเรียนส่งไปแข่งที่อื่นบางทีตกกระป๋องด้วยซ้าตอนเจอโน้ตหินหินกับคู่แข่งเคียเค้ยวๆอืม มองลานดาวอย่างผิวเผินแต่แรกเหมือนแม่งามงอนที่หลงตัวอย่างฉาบฉวยหรือชอบคุยโมโอ้อวดเอาอัตตาไปวันๆแต่พอเริ่มสัมผัสมากขึ้นก็เห็นทั้งสมองทั้งความสามารถทั้งความรู้สึกในด้านที่หล่อนจะก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพแถมผ่านสนามประกวดจนรู้จักตนเองตามจริงว่ากำลังอยู่ตรงไหนเขาขั้นใดไม่ใช่มีแต่ความรู้สึกดิบๆแบบหูตาขับแค่ว่าค่าแน่ค่าวิเศษวิโสที่สุดหรือเกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งสําเร็จรูปตลอดกาล ว่าแต่พี่เอินสอนจ้าเป่าฟลุตแน่นะคะลานดาวทำเสียงอ้อนแน่สิงั้นจ้าจะมาเรียนที่นี่บ่อยๆทุกวันเลยก็อย่างได้ถ้าว่างตรงกันวันเสาร์นี้จ้าจะไปเลือกซื้อฟลุตเลยพี่ไปช่วยเลือกให้ก็ได้จ้าจะได้พาพี่ไปดูหมอด้วยเออใช่ฮิฮิขอบคุณมากๆค่ะว่าแต่ราคาฟลุตนี่ยังไงคะอย่างถูกก็หลักพันอย่างกลางหลักหมื่นอย่างแพงหลักแสนประเภทครึ่งล้านซื้อแกลนดนเปียโนได้ทั้งหลังก็มี โหอะไรจะขนาดนั้นอย่างแพงนี่จะทํามือแล้วสูตรผสมก็พิเศษหน่อยแต่พี่ว่าฟลุตนี่ขึ้นอยู่กับลมหายใจและการฝึกของเราคนเก่งอาจเป่าฟลุตหลักพันให้ฟังเหมือนของราคาหลายหมื่นได้ง่ายๆขณะเดียวกันหลายคนอาจเป่าฟลุตหลักแสนแล้วฟังคล้ายหลักพันนะอย่างพี่เอินไงจะฟังแล้วหลงทันทีถึงขนาดอยากซื้อฟลุตมาเรียนเร็วๆเป็นแรงบันดาลใจจ้าแท้ๆเริ่มเดี๋ยวนี้เลยก็ได้อุ๊ยไม่รังเกียจหรือคะ ลานดาวทำตาโตพอรู้ว่านักเล่นเครื่องเป่าส่วนใหญ่หวงสมบัติส่วนตัวอยากสงวนไว้รับน้ําลายและลมหายใจของตนเพียงลําพังทํานองเดียวกับคนทั่วไปห่วงแปลงสีฟันแต่ใจส่วนลึกก็นึกปลืม้มเพราะท่าทีของพี่สาวบ่งชัดอยู่แล้วว่ายินดีปันรักให้หล่อนร่วมใช้ไม่หรอกมาวันทากล่าวตามความรู้สึกแล้วหยิบฟลุตมาวางใส่มือน้องสาวเป็นการยืนยันความเต็มใจลานดาวยิ้มหวานก้มหน้ามองฟลุตเงินในมืออันเปรียบเสมือนสัญ ญ, ญาณบอกความรัก ความสนิทใจไม่รังเกียจกันแม้แต่น้อยคุณครูยืนขึ้นแล้วพยักหน้าให้นักเรียนยืนตามทำตัวตรงเงยหน้าไว้จะได้หายใจสะดวกฝึกเป่าลมเปล่าก่อนหายใจเข้าลึกๆพ่นลมอัดแก้มป่องๆทีหนึ่งให้ลมเล็ดลอดออกมาหน่อยเดียวอืมหายใจเข้าแล้วพ่นลมอีกทีอย่าให้มีส่วนไหนของหน้าเกร็งคราวนี้ให้ลมออกมาส่วนหนึ่งเหมือนพ่นน้าเล่นจากรูปากเล็กๆสังเกตไว้นะอย่าพ่นลมมากเกินไป แล้วหายใจให้เพียงพอทุกครั้งไม่งั้นจะหน้ามืดวิงเวียนลานดาวยิ้มให้คุณครูฝึกเป่าลมปากเปล่าตามคำสั่งทุกประการโดยดีเมื่อมาวันทาเห็นลมหายใจและร่างกายลูกศิษย์เริ่มเข้าที่แล้วจึงจัดท่าถือฟลุตทั้งแขนมือและนิ้วให้ถูกกับตาแหน่งเริ่มริมฝีปากบนของลานดาวแบบบางริมฝีปากล่างอิ่มเต็มแต่ไม่หนาเกินจึงสร้างรูปปากให้ส่งลมเป็นลำได้ง่ายยังไม่ต้องกดอะไรถือไว้เฉยๆก่อน ริมฝีปากล่างเกยกับขอบปากเป่าทำเหมือนยิ้มหน่อยๆให้มุมปากแยกออกมาริมฝีปากบนยื่นนิดหนึ่งอย่างนั้นหายใจเต็มๆแล้วส่งลมคล้ายผิวปากลงไปเป็นลำตรงกะให้แทงเข้าไปทางขอบบนของรูปเป่าไม่ต้องแรงขนาดนั้นจ้ะแรงอย่างนั้นเป่าฟลุตกับเป่าสากมีค่าเท่ากันเออนั่นแหละเสียงออกมาแล้วเห็นไหมคราวนี้ก็จำรูปปากกับกำลังลมไว้นะพอเป่าบ่อยๆจะคงที่เอง การคุมรูปปากให้เป็นรูส่งลมเหมาะเจาะคงเส้นคงวานั้นนับว่ายากลําบากสําหรับคนเพิ่งเริ่มฝึกโดยเฉพาะเมื่อกล้ามเนื้ อ, อยังไม่แข็งแรงเข้าที่แต่ด้วยความตั้งอกตั้งใจลานดาวก็สแสดงให้เห็นความฉลาดคุมรูปปากและความฉลาดส่งลมผิวฟลุตโดยปราศจากข้อผิดพลาดเพียงเมื่อจับทางถูกครั้งเดียวรู้แม้กระทั่งว่าเมื่อใดควรหยุดพักหายใจเพื่อป้องกันการใช้ลมมากเกินควรอันเป็นเหตุให้มือใหม่เกือบร้อยทั้งร้อยหน้ามืดวิงเวียน โน้ตแต่ละตัวของฟลูดต้องกดกระเดืองหลายอันเหมือนต้องจดจำรหัสซับซ้อนให้ถูกวิธีเป่าแต่ละโน้ตก็แตกต่างกันออกไปบางคนต้องใช้เวลาฝึกเป็นวันๆหรือนานกว่านั้นจึงสามารถคุมโน้ตยากๆให้ออกเสียงเต็มไม่พลาไม่ปล่าแปลงแตกต่างอย่างมากจากการเล่นเปียโ น, โนที่ผู้ฝึกทุกคนกดกระเดืองเดียวเดียวแล้วได้เสียงคมชัดทันทีทว่าลานดาวก็หัวไวคนเดียวจำได้หมดว่าโน้ตไหนต้องกดกระเดืองใดบ้างทำให้คนสอนไม่เหนื่อยแรง และเห็นผลงานสร้างนักฟลุตของตนรวดเร็วน่าชื่นใจคือเริ่มเป่าเพลงฝึกหัดง่ายๆที่มีการใช้น ố สอสาตัวได้บ้างแล้วเวลาล่วงเลยไปจนลันดาวเริ่มเหนื่อยจากการใช้ลมพอหมดเสียงสั่งสุดท้ายก็ทิ้งตัวลงนอนกอดฟลุตนิ่งยิ้มแต้หลับตาพริมหายใจรวยรินแสดงท่าหมดเรียวหมดแรงเป็นไงมาวนทาลงนั่งตามและใช้มือตบศีรษะมนเบาๆลานดาวสูดลมหายใจลึกก่อนเปิดเปลือกตาบน่น เคยได้ยินว่าระหว่างฟลุตกับแซกโซโฟนฟลุตใช้กําลังมากกว่าเล่นแล้วเหนื่อยมากกว่าแต่ก่อนนึกไม่ออกเพราะถูกหลอกหูหลอกตาตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมก็แล้วแต่จะพูดกันบางคนที่เล่นเป็นทั้งสองอย่างบอกว่าแซกโซโฟนเหนื่อยกว่าก็มีบางคนบอกว่าแล้วแต่ถนัดก็มีแซกโซโฟนกับเครื่องลมอื่นที่มีลิ้นช่วยสร้างความสะเทือนผลิตเสียงนี่เราเอาปากงับเอาน่าจะใช้ลมน้อยกว่าเยอะนี่คะนี่ต้องพ่นปูดบปุ๊ตลอดใครไม่น่ามืดก็เก่งแล้ว เดี๋ยวพอคุมลมได้อยู่ตัวจะ๊จะมีความสุขกับลมหายใจที่แข็งแรงไม่เหนื่อยอย่างนี้หรอกลานดาวมองหน้ามาวันทาด้วยในตาทอประกายแจ๋วค่ะแล้วหล่อนก็เหลือบมองนาฬิกาบนผนังดึกแล้วจ๊กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวพ่อตีมาวันทาหัวเราะว่าจะบอกอยู่เหมือนกัน